คือแม้กระทั่งความตายที่บอกว่าเป็นทุกนี่ท่านเน้นถึงเรื่องทุกข์กายนะเวลาเด็กเกิดมาอันน้ก็ทุกนะเด็กคลอดออมาเด็กก็ทุกเด็กก็ดิ้นล่นร้องไห้นั่นนั่นแหละที่อธิบายว่าความเกิดเป็นทุกอันนี้เป็นเรื่องทุกข์กาย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 อันนี้ก็เป็นความเจ็บไข้ได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดที่พูดมาก็เป็นความทุกข์ทางกายนะไม่ได้แปลว่าเราต้องทุกข์ใจด้วยความพัดพราสูญเสียก็เช่นเดียวกันมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตแม้ไม่ใช่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นในวันข้างหน้า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 ถ้าหากว่าเราเกี่ยวข้องกับความทุกข์เป็นนะคือถ้าเราเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นะอันนี้ก็เรียกว่าความทุกข์ทำอะไรไม่ได้แถมได้ประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะถ้าเราเห็นทุกข์เราก็เกิดปัญญาทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะอันนี้เป็นเป็นเป็นหน้าที่เป็นบทเรียน ของชาวพุทธทุกคนนะชาวพุทธนี่ถ้าว่ามีศรัทธาในพระตนไตรยัย<ๆ>ก็จต้องเข้าใจในเรื่องอริยสัจสีนะอันนี้ก็เป็นบทสวดอันหนึ่งที่เราได้สวดเป็นประจําถ้าจะมีศรัทธาในพระตนไตรัยแล้วเนี่ยแล้วไม่เห็นอริยสัจสี่นี่ก็ถือว่ายังศรัทธายังไม่ถูกต้อง อริยสัตวคืออะไรก็คือทุกสมุทัยนิโรธมากอันนี้เราก็เรียนกันมาตั้งแต่เล็กแล้วแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องเลี้ยงก็คือว่าหน้าที่หรือกิจที่พึงมีต่ออริยสัตว์ธุรกิจในอริยสัตว์ก็หมายถึงว่าเราจะเกี่ยวข้องกับอริยสัตว์อย่างไรในแต่ละข้อทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะ หรือบางทีใช้คําว่ากาหนดรู้แต่กาหนดรู้นี่มันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจนะใดีนี้เราไปเข้าใจว่าเวลากําหนดหมายถึงไปเพ่งไปไปจ้องเช่นกําหนดลมหายใจกําหนดท้องผอ ง, องยุบนะ น, นี่เรียกว่าอันนี้คือคาว่ากาหนดที่ใช้ในวงการกรรมฐานแต่ว่ากําหนดรู้ที่พูดถึงเนี่ยมันมาจากคาว่าปริญญายะเหมือนกับที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ย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 เป น, น่ที่คล่องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถ้าเราเข้าใจแจ่มแจ้งเนี่ยมันก็ทําให้เราหลุดพ้นจากการเป็นผู้ทุกข์ได้ทุกข์เรานี้ไม่พ้นก็จริงแต่ว่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นก็ไม่เป็นทุกข์นะนั่นคือเห็นมันอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเนี่ยทุกข์มีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นนะ ทุกมีไว้เห็นเมื่อเราเห็นทุกเข้าใจทุกแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจสมุทยัยแล้วก็เห็นเร ว, ว่านิโรดนั้นเป็นไปได้และทําให้เราเกิดความขนไหายในการที่จะทํามัคมีองแตกให้เกิดขึ้นสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละนิโรดเป็นสิ่งที่ทำต้องทําให้แจ่มแจ้งหรือทําให้ปรากฏหรือเข้าถึงส่วนมัคคือสิ่งที่ต้อง ทำให้มากขึ้นหรือภาวนาภาวนาแปลว่าทําให้มากขึ้นงั้นเราหนีทุกข์ไม่พ้นก็จริงไม่ว่าทุกข์ประจําสังขารคือแก่เจ็บตายแล้วก็ทุกข์จวนเข้ามาคือความพัดพลาดประสบสิ่งไ ม, ไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพลาดจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะเราเกี่ยวข้องกับมันเป็น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 คือความหมายว่าเห็นนะไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยตาในทีแล้วก็เห็นด้วยสติขวัญต่อมาก็เห็นด้วยปัญญาถ้าพูดไปให้ง่ายขึ้นหรือว่าให้ให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมเมื่อแต่ก็ตามที่มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเรานะ ไม่เป็นความทุกข์ทางกายกายยึกับทุกข์หรือว่าความพัดพรากสูญเสียหรือการที่ต้องไปเจอผัสสะที่ไม่ไม่น่าพอใจที่เป็นลบเนี่ยเราสามารถที่จะไม่เป็นทุกข์ไดนะ้เพราะนะอย่างแรกคือว่ามีมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะ มุมมองเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามขึ้นมาถ้าเรามองเป็นเช่นรู้จักมองในแง่บวกนะมันก็ไม่ทุกนะยังมีหลวงพ่อองค์นึงในชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดีเนาะเพราะว่าท่านเจออะไรท่านก็ว่าดีไปหมดมีคราวหนึ่งโจรมามาขึ้นกุฏิท่านนะจะกวาดเอา เอาของในกุฏิหลวงพ่อท่านก็ว่าดีเนาะจวนถามว่าดียังไงท่านก็บอกว่าไอ้ของทั้งหลายที่เห็นเนี่ยนะท่านต้องรักษามันต้องคอยดูแลมันถ้าจวนมาเอาไปก็ดีเหมือนกันท่านจะไต้ไม่ต้องไปดูแลนะคือหมดพาราสุกทีจวนบอกว่าไม่ได้เอาไปอย่างเดียวนะไม่ได้เอาของไปอย่างเดียวนะจะฆ่าด้วยท่านก็ว่าดีเนาะดียังไง ก็อยู่มาถึงป่านนี้แล้วนะแก่ตัวไปเรื่อยๆอยู่ไปก็มีแต่ทุกข์อยู่ไปก็มีแต่เจ็บต้องปวดไปตอนนี้ก็ดีเหมือนกันสุดท้ายโจมมันก็เปลี่ยนใจนะก็โดนหลวงพ่อเทศจนกระทั่งยอมนะยอมมอบตัวให้ตำรวจอันนี้ท่านหลวงพ่อทำไม่ทุกข์นะจะมาเอาของไปก็ไม่ทุกข์จะมาฆ่าก็ไม่ทุกข์เพราะว่าท่านมองว่ามันดี ไม่เป็นภาระไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยให้มันลําบากให้หลวงพ่อดีน้อยที่ท่านมีตัวจริงนะต่อหลังท่านได้รับสมณศัสดิงมีราชทินานามว่าสาธุอุทานธรรมวาทนะีสาธุอุทานธรรมวาทีเป็นพระผู้ใหญ่ของจังหวัดอุ ด, ดอรคือท่านมองว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็ดีไปหมด เมื่อเกิดขึ้นเมื่อมองชนี้ก็ไม่ทุกข์นะมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะแกชอบพาคนไปไปสร้างโรงเรียนไปช่วยเหลือเด็กชนบทในถิ่นทุรกันดารคานก็พานักศึกษาไปช่วยโรงเรียนแห่งหนึ่งในจวดแม่ห้องสอนขากลับก็ นั่งรถลงเขานะแม่อังสอนนี่มันโค้งเยอะปราเกิดว่าเกิดผิดพลาดรถมันพัดตกลงไปในเหวข้างล่างนะก็ไม่ถึงกับลึกมากนะสิบยี่สิบเมตรตอนที่ตกลงไปนี่ผู้ชายคนนี้แกก็ภาว น, นานานะว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้คนที่แกนักศึกษาที่แกพามาทุกคนในี่ปลอดภัย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 ทำความีต้องมาเจอแบบนี้คือต้องพิกการใจๆชายคนนี้แกกับปลอบใจเพื่อนนะพูดกับเพื่อนว่าก็พราะทำความดีมาเสถึงรอดมาได้ขนาดนี้คือรอดมาได้ครึ่งตัวถ้าไม่ทำความดีอาจจะตายไปเลยก็ได้ไอ้ น, นี้แกไม่ทุกนะแล้่ถือว่าเนี่ย พิการครึ่งตัวบางคนมองนี่คือพิการครึ่งตัวแต่แกมองเนี่ยรอดมาได้ครึ่งตัวก็ถือว่าเยอะนะนี่ก็มองแง่ดีแบบนี้ก็ทําให้ไม่ทุกข์และให้มีกําลังใจในการทําความดีต่อไปเทนะ่าที่สังขารร่างกาย จ, จาหน่วยรูปเรื่องมุมมองนี่สําคัญมากเจอแล้วก็ตามถ้าเรามองเป็นเช่นมองเป็นแง่บวกนะมันก็ทําให้ไม่ทุกข์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 หลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยถาวาโรวัดถ้ำใหญ่ปลิกท่านก็มารับภาพไปแล้วท่านเคยสอนญาติโยมนะเวลาทุกเวลาโมโหเมื่อมีคนด่าว่าท่านก็บอกไอ้ญาติโยมเหล่านั้นเนี่ยว่ารับไปเลยนะใครเขาว่าเราไม่ดีก็รับไปเลยเนะพราะเราไม่ดีจริงตัวหลวงพ่อเองก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าดีแล้วทาไมต้องมาอาบน้าถูฟันล้างหน้า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 รู้จักวิธีที่จะอยู่กับความปวดนะคือต่างคนต่างอยู่ปวดก็ปวดไปนะเวลาปวดบ้างมานี่ก็ไม่โกรธ น, นะบอกมะเร็งกล่อมมะเร็งว่าเออเปล่ า, าหน่อยนะตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วนะฉันก็จะนอนแล้วนะเจ้าก็นอนด้วยนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างพักผ่อนไป คือไม่โกรธนะถือว่าจะ ม, มาเมลงจะมาอยู่ก็มาอยู่ได้นะแต่ว่าพยายามรบกวนกันให้น้อยที่สุดไม่ไม่โกรธมเมล็งแล้วก็ไม่มองว่ า, มาเมล็งเป็นศัตรูอันนี้ก็เป็นเรื่องคุณภาพจิตนะซึ่งก็ต้องอาศัยสติด้วยนะแค่เมตตายอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องมีสติหเห็นความปวด อย่างพวกเราเนี่ยมาที่นี่อาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกใจมีเรื่องมีแมลงกวนมีความปวดความเมื่อยถ้าเราพยายามสร้างคุณภาพจิตฝ่ายบวกขึ้นมาโดยเพราสติเนี่ยนะมีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นมันแต่ว่าไม่เป็นนะร่างกายมันคันก็เห็นมันคันนะเห็นความคันแต่ไม่เป็นผู้คันมันก็ทําให้ ทุกน้อยลงหรือว่าบางคนถ้าว่าเป็นคนที่รู้จักอดทนขันตินะก็ไม่หงุดหงิดนะกับสิ่งที่นะมากระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงนะเสียงจะรบกวนแค่ไห น, ใ, นใจก็สงบได้เพราะว่ามีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์หรือรู้จักคอยได้ปฏิบัติธรรมมาหลายวันแล้วนะ ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่อ้าวก็ไม่เป็นไรเพอะรู้ว่าเรื่องนี้มันต้องใช้ความรุดความรอคอยการรู้จักคอยก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะที่จริงมันเป็นคุณสมบัติของคนที่หวังความเจริญทางโลกด้วยจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้มันก็ต้องรู้จักคอยเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาขนาดเรียนกว่าจะเรียนจบนี่ปริญญาตรีก็4ปีไม่นับ ทวงที่เรียมาเียมปฐมปริญญาเอกก็หลายปีงานบางอย่างนี่มันต้องมันต้องใช้เวลานานเพราะว่าเป็นงานยากเป็นงานละเอียดถ้าว่ารู้จักคอยได้นะในที่สุดก็จะประสบความสาเร็จได้แต่ถ้าไม่รู้จักรอคอยแล้วนี่ทำได้คือเครื่องกลารก็เลิกหรือไม่ชนะก็ทำแบบลวกๆทำแบบไม่ประณีต หรือไม่ฉะนั้นก็ใช้วิธีทางลัดนะไปลอกมาโกงเขาเนี่ยอันนี้มันไม่มีทางที่จะเจริญในทางโลกได้ชนชาติที่เขาประสบความสำเร็จนะในเรื่องอเทคโนโลยีในทางเศรษฐกิจนี่เขาก็เป็นชนชาติที่เขารู้จักคอยได้รืยเพราะคนญี่ปุ่นนี่การรู้จักคอยนี่ถือว่ามีมากทีเดียว จะเห็นได้ในชีวประจําการของเขาตั้งแต่คอยไฟแดงให้เป็นไฟเขียวคอยเข้าคิวยาวนะเพื่อที่จะกินข้าวแล้วก็คอยโดยที่เขาไม่ได้ทุกร้อนอะไรเลยนอกจากคุณภาพจิตแล้วในการมีความเข้าใจชีวิตและโลกก็สําคัญนะอันนี้แหละเป็นเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมเลยคือการเข้าใจเข้าถึงสัจธรรม พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้แค่ทำดีนะแต่ว่าสอนให้เราฝึกจิตจนเห็นความจริงด้วยเห็นความจริงนะวิธีการที่จะใช้เห็นความจริงก็คือวิปัสสนาหรือว่ารรมวิจัยการใคร่ควรธรรมซึ่งเป็นองค์ข้อหนึ่งในโพชฌงเจ็รนะรรมวิจยะก็คือปัญญานั่นเอง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 ทุกครั้งก็คือไม่คงตัวเสริมสลายไปในที่สุดอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อเข้าใจตรงนี้เนี่ยพอเกิดความแปรผันเช่นเจ็บป่วยขึ้นหรือเกิดความตายก็ไม่สะทกสะทานอย่างคนสมัยก่อนที่พอเวลาตายนี่เขาก็ยอมรับนะไม่ดิ้นหลนไม่คิดจะยือ้อเมื่อรู้ว่าวาระวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง บางคนก็ขอให้ลูกหลานนี่ช่วยพยุงตัวให้นั่งพิงเสาจะนั่งสมาธิรับความตายบางทีเห็นลูกหลานร้องไห้อย่างคุณยานึงจะตายอยู่แล้วนะลูกหลานร้องไห้แกก็ว่าลูกหลานหรือว่ามึงเคยเห็นคนที่อยู่แล้วไม่ตายมนะั้ยเคยเห็นไหมคนที่อยู่แล้วไม่ตายอ่ ทุกคนก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วมึงจะร้องไห้ไปทําไมนะก็พูดว่าแรงๆเลยให้เห็นความจริงไงเตือนลูกเตือนหลานให้เห็นความจริงว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครที่ไม่ตายแล้วจะร้องไห้เสียใจนะเวลายายตายทําไมอันนี้คือความสงบยิ่งเพรา ะ, ะไม่สะทกสะทานต่อความตายเพราะเห็นความจริงนะ เห็นความจริงของชีวิตไม่ต้องเห็นมากก็แค่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็ น, นี่ก็สามารถจะช่วยจิตช่วยใจได้เยอะแล้วหรือเห็นว่าไอ้ที่ทุกข์นี่มันไม่ใช่เราทุกข์นะมันเป็นรูปหรือนามที่ทุกข์มันเป็นกายหรือใจที่ทุกข์และบางทีที่ว่าทุกข์ทนี่มันก็เป็นแค่กายที่ทุกข์แต่ใจไม่จำเป็นต้องทุกข์ด้วยนะ เดี๋ยวหลวงปู่บุตรดาท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่ที่น่าเคารพมากดูเหมือนพระหลวงตาธรรมดาๆรรแต่ว่าท่านมีภูมิปัญญาลึกซึ้งมากท่านมรณภาพไปแล้วต้อง20ปีมาแล้วมีความหนึ่งท่านไปรับนิมนต์ฉันเช้าบ้านโยมท่านก็พาพระไปด้วย อก็าอาหารนี่เป็นพิษพระที่มาด้วยนี่รวมท่านๆด้วยแหะนะก็อาเจียนเงนเป็นการใหญ่อาเจียนจนกระทั่ทงพระหนุ่มที่มาด้วยกับท่านนี้หมดแรงหมดสภาพนอนเลยนะนอนหมดสภาพเลยแต่หลวงปู่ซึ่งอายุมากนะเจ็ดสิหรือ90าแล้วมั้งท่านก็อาเจียนนะอาเจียนเสร็จ อาเจียนใส่กระโถนเสร็จท่านก็นั่งคุยกับโยมต่อคุยกับโยมเพื่อไม่ให้เขาทุกข์ใจเพราะว่าทําให้พระนี่ป่วยกันคุยสักพักเดี๋ยวก็อาเจียนอีกท่านก็อ้วกใส่กระโถนเสร็จแล้วก็คุยกับโยมต่อมันตัดกับภาพของพระหนุ่มๆ น, นะที่นอนหมดสภาพคนก็แปลกใจว่าทำไมท่าน ไม่เป็นถึงขนาดนั้นท่นก็อธิบายฟังว่าร่างกายเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุสี่นะถ้าเจอยาเบื่อยาเมามก็ต้องมีอาการแบบนี้แหละคืออ้วกนะอาเจียนแต่ว่าใจมันไม่ได้โดนด้วยคือใจมันไม่ได้โดนยาเบื่อยาเมาด้วยมันก็เลยไม่เป็นอะไรนะไม่เหมือนกับร่างกายนะมันคนละส่วนกัน ไอนน้ท่านเห็นไงท่านเห็นความจริงว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยคือกายทุกข์นะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยแต่ถ้าไม่เห็นความจริงนะไปเข้าใจว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกข์เนี่ยคือฉันทุกข์ไอ้ที่ปวดนี่ยคือฉันปวดไอ้ที่โดนยาเบื่อเนี่ยคือฉันโดนยาเบื่อมันก็พาใจให้ป่วยคือเราในระหน้าเป็นปรพร้อมๆกันเลย ท่านเห็นความจริงเหว่าเห็นความจริงเรื่องกายกับใจว่าที่แท้แล้วมันไม่มีไม่มีตัวฉันไม่มีแต่กายกับใจรูป ก, กับนามในเวลาป่วยเนี่ยมันไม่ใช่ฉันป่วยมันเป็นกายที่ป่วยถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็ผ่าใจป่วยด้วยอันนี้เรียกว่าการเห็นความจริงการเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกมันก็ทําให้เวลาเจอทุกข์นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ น, นถัถ้าเราถ้าเราถ้าเรามีสามอย่างเนี่ยนะคือมีมุมมองที่ดีนะมีคุณภาพจิตที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจในชีวิตและโลกเราก็สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้แม้ว่ามันจะมีความพันป่วนแปลต่างๆมากมายนะไอ้มุมมองเนี่ยนะภาษาภายกย์ลอยนิสโสมนสติการคุณภาพจิตเนี่ยทังก็เรียกว่าเป็นผลจาก การทําจิตภาวนานะหรือบางทีท่านก็ใช้คําว่าอธิจิตตศิกขาดอธิจิตตศิขาคือการทําให้จิตมีความเจริญมีคุณภาพที่ดีส่วนข้าเข้าใจายโลวิตนี่ก็คือปัญญานั่นเองหรือว่าเกิดจากปัญญาภาวนา น, นการที่เราเจริญสติเนี่ยสตินี่เป็นตัวที่ในขั้นแรกเนี่ยมันเป็นการ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 ในแง่บวกได้และสติก็จะพาไปสู่ปัญญาได้สตินี่เป็นตัวเชื่อมนะไปสู่ปัจจัยต่างๆที่พูดมาได้การจลสรติเนี่ยถึงเ ป, เป็นการปฏิบัติธรรมที่สำคัญเรียกว่าเป็นหัวใจกรรมฐานกรรมฐานแบบพูทนีไม่ต้อง30มีต้อง40วิธีนะวิธี การระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์นี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติทั้งหมดเนี่ยมีเยาะกระจิงนะแต่ว่าการจรสะสติเนี่ยจะเป็นเป็นแกนของเลือกเป็นประธานของการ ของกรรมฐานทั้งปวงในในพุทธศาสนาคาว่าสติปัฏฐานเนี่ยมันคนละความหมายคาว่าอนุสตินะอนุสติในที่น้หมายถึงระลึกนึกถึงนะแต่ว่าสัมมาสติเนี่ยท่านหมายถึงการที่มีอ่การที่เห็นกายและใจอย่างที่มันเป็นหรือว่ารู้เท่าทันกายและใจสัมมาสตินี่เน้นเรื่องการ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 มันปรากฏอยู่เฉพาะหน้าก็รู้ทันมันต่อไปก็จะเห็นมันลึกเห็นลึกขึ้นจนเห็นลักษณะอาการของมันคือเห็นความเป็นไตรักอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเกิดหรือว่าเป็นการพาไปสู่ปัญญาได้เป็นวิปัสสนานการการที่พวเรามันเจริญสติเนี่ยนะมันจะเป็นการสร้างสร้างปราการนะ เพื่อไม่ให้ความทุกข์นี้มาเล่นงานจิตใจเปลี่ยนเมื่อการสร้างหลังคาที่เพื่อไม่ให้หลังคาที่แน่นหนาเพื่อไม่ให้ฝนมากระหน่ำทำให้เราเปียกเนือจะมากกว่านั้นอาจจะเปรียบได้กับเหมือนกับสิ่งที่มันเคลือบใบบัวไว้นะพอนะ้ำ ผลไม่ว่าจะน้ําสะอาดน้ําเน่ามาตกกระทบกับใบบัวมันก็ไม่ทําให้ใบบัวเปียกก็มีแต่ไหลลงไปหมดนะไม่สามารถทําให้ใบบัวเปียกได้อันนี้ก็ก็คือสตทิทำหน้าที่กันไม่ให้ความทุกข์หรืออารมณ์อกุศลต่างๆเข้ามาครอบงําใจหรือเข้ามาแปลเพื่อนจิตใจจิตใจก็จะสะอาดผ่องใสยอยู่เสมอ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 ร่างกายอาจจะทำร้ายทำลา ย, ท ร, ายทรัพสมบัติที่มีแต่ว่าไม่สามารถเจริญกระเทือนไปถึงใจได้อันนี้แหละคือความหมายหรือคุณท่าองการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อไม่ให้ไม่ให้ความทุกข์เกิดความทุกข์ต้องเกิดไปอย่างข้ามแต่ว่ามันเป็นแค่ความทุกข์กายหรือความทุกข์กับทรัพสมบัติที่มีแต่ว่าไม่เกิดกับใจ รงายคือมีทุกข์นะเจอทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์